ได้กราบพระอระหันต์เรื่องราวเหล่านี้ใจจริงแล้วอ่อนไม่อยากจะเล่าเพราะเป็นประสบการณ์เฉพาะตัวอ่อนเชื่อของอ่อนเพราะพบเห็นกับตัวเองจนบางครั้งแทบไม่เชื่อว่าจะเป็นจริงด้วยซ้ำไปอ่อนยังแปลกใจว่าทุกๆเรื่องเกิดขึ้นได้อย่างไรจากความฝันแล้วกลายมาเป็นเหตุการณ์จริงขึ้นเช่น ได้กราบหลวงตาเหมือนในฝันในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2535อ่อนอยู่ที่กรุงเทพมีเพื่อนซึ่งเป็นอาจารย์สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งได้เล่าเรื่องของหลวงตามหาบัวให้ฟังและบอกว่าอ่อนไปกราบหลวงตามหาบัวสิตอนนั้นอ่อนยังไม่รู้จักท่านอ่อนคงมีสีหน้าง ง, ง, งจนเพื่อนอาจารย์ต้องกระซิบบอกเป็นการสำทับว่าหลวงตามหาบัว ท่านเป็นพระอรหันนะทำให้อ่อนมีความอยากจะพบท่านมากขึ้นอ่อนสอบถามจนทราบว่าท่านมาพำนักอยู่ที่สวนแสงธรรมพุทธมนทนสายสามกรุงเทพอ่อนตั้งใจเต็มที่ว่าต้องทำอาหารไปถวายหลวงตาในเช้าวันรุ่งขึ้นทันทีจัดรายการอาหารที่คิดว่าดีแล้วคือเต้าหู้ทอดราดด้วยน้ำไข่ลูกเขยสลักเต้าหู้เป็นรูปดาวสวยงามเอาไปใส่บา ท, ท่าน นี่เป็นครั้งแรกที่อ่อนได้กราบหลวงตาอ่อนตกตะลึงจ้องมองท่านจนตาไม่กระพริบเพราะอ่อนได้เคยพบกับท่านแล้วในความฝันในวันที่อ่อนเฉียด ต, ตายเพราะถูกไฟฟ้าช็อตเมื่อวันที่13เมษายนพุทธศักราชสองพซึ่งเป็นวันสงกรานพอดีท่านได้ช่วยชีวิตอ่อนไว้น่าอัศจรรย์มากเมื่ออ่อนถวายอาหารหลวงตาแล้วก็ถอยไปนั่งมองท่านจากที่ที่ไกลจากองค์ท่าน วันนี้เป็นวันแรกที่มากราบท่านอ่อนไม่รู้จักใครเลยผู้คนก็แน่นสาาไปหมดจนแปลกใจว่าทำไมคนจึงมากมายล้นหลามขนาดนี้จากนั้นอ่อนก็นั่งฟังเทศของท่านไปเรื่อยๆ